คิดว่าจะเอาอย่างนั้นคิดว่าจะเอาอย่างนี้จะทําให้ได้อย่างนั้นถ้าไม่ได้ก็จะเสียเวลาอย่าไปเข้าถึงตัวปฏิบัติวิธีใดที่เราจะมีสติเห็นกายตั้งสติไปในกายอันนั้นเป็นบุพภิกขิบุพกรเบื้องต้นในการศึกษาในการปฏิบัติแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรต่างๆมันก็จะค่อยดีไปแม้จะมีศัตรูขัอ้อเิ คนอิจฉาพยาบาทก็จะค่อยดีไปถ้าเรามาพบกับตัวเองโดยการปฏิบัติธรรมเอาพบกับตัวเองโดยการปฏิบัติธรรมเอาตัวปฏิบัติเป็นผู้ชีวิตกับเราไปก่อนนั้นว่ายังไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรก็ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปแก้อย่าเพิ่งไปหา น, นั้นมันจะเกิดขึ้นที่หลังเดี๋ววิธีปฏิบัติธรรมเองแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุด มีความรู้สึกตัวอยู่ที่กายกายก็มีจริงๆริงมีความรู้อยู่สึกตัวที่กายจริงๆรงอย่าเพึงไปเอาผิดอ ย, อ, อย่าเพิ่งไปเอาถูกอย่าเพิ่งไปกลัวทุกข์อย่าเพิ่งไปอยากได้สุขไม่ต้องไปเป็นอะไรกับมันละความรู้สึกตัวนี่มันมาเหนือเมฆมันมาเหนือ แ, แต่ทุกข์เราก็ฉีดคอความทุกข์ความรู้สึกตัวมันเป็นทางนั้นแม้มันมีสุขก็ฉีดคอความสุข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 เขาไม่หลบไม่รีบไปไหนดอกแสดงก็แสดงแบบโง่โง่ก็ต้องมีสติเห็นเห็นชัดจริงสุดเห็นสุขก็เห็นว่าเป็นสุขเห็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข์เห็นโล้นเห็นหนาวก็เห็นว่าเป็นโล้นเป็นหนาวแล้วก็เห็นเรลยไปเห็นเลยไปอะไรที่เขาแสดงเขาแสดงหลายครั้งหลายหนก็เลี้วไหลท่างนั้นแหละว่าเราไปดูหนังเรื่องเดียวสองโลกสามโลกหรือเหมือนกับ วิทยากรอบรมนักเรียนที่ไปอบรมที่ไหนก็เอาเรื่องเก่าเรื่องเก่าไปอบรมนักเรียนเขาก็รู้ล่วงหน้าแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เ้าก็เบื่อนี่ก็เบื่อไม่อยากฝังไม่อยากสนใจก็เป็นอย่างนั้นเราเห็นตัวเราหลอกตัวเราเราเห็นตัวเราทําให้เราเป็นทุกข์เราก็ ถูกความทุกข์หลอกเราเห็นตัวเราทําไมเราเป็นสุขถูกความสุขหลอกถ้ามีสติมันหลอกไม่ได้ทึงไหนดอกเหมือนคนที่หลอกเรานะ่มันหลอกไปได้ไ้ยทึงไหนแต่มันก็จะมีปัญญาตรงนั้นด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมันเป็นไปํานองนี้อันอื่นมันจะค่อยดีไปก็ต้องมีบทบาทมีผจนภัยมีอะไรเยอะแยะ เหมือนกับพระเอกนางอาเอกที่เขาเป็นพระเอกนางเอกเขาต้องผจญภัยเขาจังได้ชื่อว่าพระเอกนางเอกแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแทบจะเสียผู้เสียคนอะไรแทบจะ เ, เป็นยังไงหลายอย่างเราจึงได้เป็นพระเอกเราก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีรสชาติตอนที่มันหลุดมันพ้นมันทุกข์มันเห็นทุกข์มันพ้นทุกข์ ความพ้นทุกข์มันก็ไม่รสชาติตรงนั่นด้วยการเห็นทุกข์ก็ไม่รสชาติไม่ใช่อยู่เฉยๆเห็นแต่ความสุขไม่ใช่ถ้ามีสุขก็รับรองว่ามีทุกข์คู่กันถ้ามีหลงก็รับรองว่ามีรู้คู่กันมีผิดก็รับรองว่ามีถูกคู่กันไม่ต้องไปสยบกับอันใดมาแบบเนื้อเนะื้อแบบผิดแบบถูกกเนื้อมันแล้วรู้สึกตัวปล่อยต่อเพื่อต่เพื่อไป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 ทำไมเราจึงทุกข์ทำไมเราไม่รู้มันไม่สะดวกแต่ว่ารู้แล้วเยมันไม่รู้ก็รู้แล้วมันรู้ก็รู้แล้วมันสุขก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วนะแต่รู้สะดวกเห็นแบบสะดวกสบายมันหลงก็รู้แล้วคือความหลงมันสุขก็รู้แล้วคือความสุขมันทุกข์ก็รู้แล้วคือความทุกข์สะดวกสบายคําว่ารู้แล้วรู้แล้วนะเป็นภาษาที่ง่ายๆเป็นภาษา เอาไมา่ใช่กับชีวิตของเราเป็นตัวฉเฉลยแล้วสติสัมปชัญญะมันก็เป็นเช่นนั้นนะมันฉเฉลยแบบนี้มันรู้แล้รวรู้แล้ ว, ลวมันว่าอย่างนี้นะความรู้แล้วแต่มันเบาจะยิ้มก็ได้ยิ้มหัวเราะความทุกข์ก็ได้ยิ้มหัวเราะความสุขก็ได้ยิ่งหัวเราะความโกรธ ก, ก็ได้เราว่ารู้แล้วเนะ่ยมันเบาเบาหรอกนะเออไม่ไหวไม่ไห ว, ไ ม, ไวมันหนักหนักสหน่อยทํยาทไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้มันหนักนะ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 วายวัาจการออดตั้งผู้ช่วยอันตั้งเลขาอันนั้นไม่ใช่กระจายอํานาจตามความเป็นจริงกระจายอํานาจตามความเป็นจริงคือม่นสติดูแลตัวเองให้คนไปดูแลตัวคุณเราเองอํานาจก็อยู่กับคุณคุณจะแก้อะไรก็ต้องแก้ตัวคุณคุณอย่าเพิ่งไปแก่คนอื่นถ้าคุณแก้ตัวคนได้แล้วคุณเห็นตัวคุณทุกแง่ทุกมุม จนคุณหลอกตัวคุณไม่ได้นั่นแหละกระจายอำนาจถือว่าเบ็ดเสร็จอำนาจเบ็ดเสร็จพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้สมัยพระองค์อุปสมบทกรรมแก่ผู้มาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ใช่เอเหิพิกุอุปสมปทาว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทํไวในราตัดไว้ดีแล้ว เธอจงประพฤติตามทำไว้ในนั่นเถิดผู้ที่ได้บรรลุธรรมตัดสลูบบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนพระพุทธเจ้าก็ใช้คําว่าเธอจงประพฤติตามทำไว้ในนั่นเถิดถ้าผู้ที่เป็นปุถุชนมาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอจงเป็นผู้ประพฤติตามทำไว้ในให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดก็เท่านี้เองแล้วก็ไปละไป ไปปฏิบัติตามธรรมวินยัยตามธรรมวินัยก็คือนี่แหละเราทําอยู่นี่แหละเรามีสติดยสติมีสติเนี่ยก็เป็นการรักษาศินมีส ต, กก ต, สสติก็เป็นการเจริญสมาธิมีสติก็เป็นการเจริญภาวนาปัญญาไปพร้อมพร้อมกันเหมือนกับกงจักรหมุนไปพร้อมกันจะเป็นหนึ่งขี้สองขี้สามขี้ถ้าเป็นกงจักร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 ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวหน่ยต้นโตต้นโตที่ทำให้เกิดสินต้นตตที่ทำให้เกิดสมาธิต้นตตที่ทำให้เกิดปัญญามันต้องมีสติมันต้องมีสติจิตมันไม่ได้อย่างไรต้องสร้างเอาอะไรมาสร้างเอากายที่มันเป็นจริงอยู่นี่แล้วมันหลงมันสุกมันทุกข์ก็มีอยู่ในกายเราจะได้รู้มันก็จิตใจนี่แหละที่มันจะเกิดสุขเกิดทุกข์มันก็แสดง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 มันจะเป็นป okay, ัญญาด้วยตรงนั้นน้ำมันจะเป็นธรรมดาเห็นกายเคลื่อนกายไว้อยู่เนี่ยเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆอ้าวที่แรกก็เจตนาเห็นกายเห็นกายไปไปมามันก็ไม่ใช่แล้วมันมันก้าวล่วงเห็นรูปเห็นนามไปเลยอืมเห็นรูปเห็นนามไปเลยเคลื่อนไหวอยู่นี่มันเป็นรูปเป็นนามอานุปัสนามิสติเห็นกายเวทนานุปัสนามิสติเห็นสุขเห็นทุกข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 ทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลอกุศลก็คือทําให้มันเศร้าหมองทําให้มืดมนกุศลก็ทําให้เฉลียวฉลาดก็ดูมันมันก็แสดงของเขาอยู่แล้วเอาไปเอามาเมื่อดูไปดูมาดูไปดูมาก็เห็นเป็นรูปมาทำเห็นเป็นนามมาทำนะอาจใชเห็นเป็นกายเห็นเป็นเวทนาเห็นเป็นจิตเห็นเป็นธรรมเห็นเป็นรูปเป็นนามจะรูปเลยปะเนี่ย โลบเลยวนะเนี่ยเวทนาอาจจะไม่ต้องเรียกว่าเวทนาเรียกว่าเป็นอาการเสีแล้ววะเนี่ยง่ายๆ่ายจะเรียกเวทนามันสุขมันทุกความสุขความทุกข์ก็ยังแบ่งชั้นอยู่สุขทุกขสุขมันก็เป็นสุขจริงจริงทุกมันก็เป็นทุกจริงจริงมันจริงพอมาเห็นเป็นอาการมันไม่จริงมันเป็นเป็นอาการเป็นเพียงอาการคำว่าสุขว่าทุกข ความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความลังเลสสงสัยความคิดผุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามมันเป็นอาการพอคนเขาถ้ารูปไม่มีอาการนามไม่มีอาการเขาก็ไม่เรียกว่ารูปเขาไม่เรียกว่านามมันก็จะไม่ได้บรรู้ทำเลยถ้าไม่เรียกว่ารูปถ้าไม่เรียกว่านามไม่มีโอกาสบรรู้ทำถ้าเขาไม่แสดงอะไรออกมา การบรรลุธรรมคือเขาแสดงออกมาจนตอบได้ว่าลู่แล้วลู่ก็ลู่จบด้วยเห็นแล้วละเรื่องเนี่ยมันก็เรื่องเก่าความโกรธก็ อ, อ่นเก่าความทุกข์ก็อ่อนเก่าแม้จะทุกข์แบบไหนก็คือความทุกข์ความโกรธแม่จะโกรธแบบไหนก็ตามคนอื่นทําให้โกรธอะไรทำํำไมโกรธมันก็คือความโกรธความรักจะรักผู่รักคนรักผ้ารักเสือ้อรักวัวรักไวายรักบ้านรักช่องมันก็คือความรักอันเดียวกัน แล้วก็มันก็เลยหลอกไปได้มันเป็นอาการมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันเป็นอาการถ้าตอบได้ว่ามันเป็นอาการก็จิบจ้อยแล้วบะนะจิบจ้อยเหลือเกินความรู้สึกตัวยิ่งใหญ่มีอํานาจเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วบรรลุธรรมแล้วเข้าเ ข, ข้าใจเห็นแจง้งตามความเป็นจริงบรรลุธรรมก็คือบรรลุอยู่บนกายบนโลกบนน้ํารูปหลอกไปได้น้ําหลอกไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน แต่ก่อนในรูปก็หลอกน้ําก็หลอกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงยอมมันหมดมันโกรธก็ยอมทําตามความโกรธมันรักก็ยอมทําตามความรักอันทุกข์ก็ยอมทําตามความทุกข์เฮยเยี่ยมเยี่ยมแจ้มใสเวลามันทุกข์ก็หน่อเศร้าก็ยอมมันไปวัดนี้มันเห็นแจ้งมันเห็นแจ้งมันมีสติมันเห็นแจ้งอะไรมันหลอกมาได้เพราะสติีนเป็น สติอินซีมันเป็นใหญ่แต่ก่อนตามันเป็นใหญ่หูมันเป็นใหญ่เราสร้างสติไปสร้างสติไปอา้าตาหูจมูกเล่นกายใจรูปรถจินเสียงมันไม่ใหญ่เท่าสตินะไม่ใช่ใหญ่แบบเป็นธรรมสตินี้มันใหญ่เป็นอินซีเหมือนกันมันรอบโลกมันหลอกไม่ได้ตาตาจะมาหลอกได้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 อยู่โดยชอบอยู่โดยชอบก็คืออยู่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่ด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่อยู่สุกโตนะไม่ใช่อยู่วัดเชดตะวนันวัดเวร ว, ว, วัดอะไรต่างๆไม่ใช่อยู่โดยชอบเพื่ออยู่มีสติเป็นหน้ารอบคือไม่เผลอนี่ว่าอยู่โดยชอบผู้มีสติเป็นหน้ารอบไม่เผลอเหมือนพระคีรีนาสุกผู้มีสติเป็นวินัยนี่ว่าอยู่โดยชอบ อยู่นั่งรถเมล์ก็อยู่โดยชอบทำงานเดินตามถนนทอนทางก็อยู่โดยชอบความอยู่โดยชอบมันคือชีวิตเราไม่ใช่เป็นเลือกที่เลือกทางนะถ้าอยู่โดยชอบตรงนี้แล้วเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นเแต่สมมติว่าเราลน้นแล้วก็อยู่โดยชอบได้เรื่องของความอยู่โดยชอบถ้ามันล้นเราก็อยู่โดยชอบการอยู่โดยชอบเนี่ยมันะ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 ถ้าอยู่โดยชอบภายในแล้วมันไม่บานปลายไม่เป็นหนึ่งเป็นสองไปมันก็จบมันก็จบอันอื่นมันก็ไม่มีปัญหานะถ้าอยู่โดยชอบภายในเป็นเราอยู่ด้วยกันก็เป็นอย่างนั้นแม่หนว่าจะอยู่ในอฐฐาถรรพ์หรือฐานะแบบไหนความเป็นจริงเราอยู่ด้วยกันอืมเอ่อโอวัตถิวัติลู่สึกตัวโอ้หลวงพ่อเทียนอยู่ตรงนี้ดอวยนะ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 มีชั้นวันนะไม่มีลัทธิไม่มีเพศไม่มีวัยเป็นความรู้สึกตัวที่มองกันแบบกันระยานามิดกันระยานาธรรมออกหน้าออกตาคือความเมตตาสงสารเน้นตรงแห่นี้เราโกรธเราเห็นเราโกรธโอ้เรารู้ตัวเราละมันโกรธเวลาคนอื่นโกรธเขาก็เป็นทุกข์แบบนี้เวลาคนอื่นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์แบบนี้เราเห็นใจเขาเห็นใจเราคือเห็นใจคนอื่น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 แต่เป็นบุตรปัญญาสามีก็ลาบเลือนถ้าเราไม่มีปัญหาแม้เราจะรักเหมันใจจะขาดถ้าตัวคนที่เรารักในปัญหามันก็ไม่สําเร็จตกนะเพราะฉะนั้นจะมาสร้างความรักที่เป็นอมตะคือนในละปฏิบัติทำในีละพระพุทธเจ้าของเราเป็นยอดนักรักนะนี่เราก็จะอยู่เข้มสาตามสมมุติปัญญตัติตามสมมุติปัญญตัติถ้าเราพบกับตั้งต้นเริ่มต้นที่ตัวปฏิบัติ ถ้าเด่นก็ดีไปสมควรอย่างใดไม่สมควรอย่างไรกาละเทศะอย่างไรเราก็จะลูกไปมันมีความถูกต้องใช่กายใช่จิตที่จะเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรก็ตามมันมีความถูกต้องชอบทำอยู่บางอย่างก็งดงามไปอย่ายาทัยก็งดงามไปเนดใสใจคอก็งดงามไปคอยดูลึกดูยามดูเวลางดงามไป ทีแรกก็มีนาฬิกาปุกไเรียงเตีงลิงออกปลกไปปึกไปไม่ต้องดูน่อยก็มันตื่นเราเองเวลาไปฉันมันก็ไม่ได้ตีละครั้งเรียกกันเยี่ยงหูฟังถึงเวลาก็ไปกันเองมันก็หัดไปจะตื่นมันก็ปวดหนักปวดเบามาตื่นขึ้นมาก็ถ่ายหนักถ่ายเบา ลางหน้าแปรงฟันก่นมันก็ถึงเวลาที่ไปทำวัดใช่เวลาเดินจงกรมพักผ่อนเตรียมเนื้อเตยมตัวเล็ก น, น้อยมันก็ไปกันเองมาเตะของมันดเองถ้าฝึกตนต้นมันก็พาไปความดีก็พาไปความชอบก็พาไปถ้าเราไม่ฝึกไม่เริ่มต้นจากตัวเรามันก็ก็จะต้องให้กดให้เกณฑ์ให้อะไรอยู่นั่นแหละต้องใช้นาะฬิกาต้องใช้อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ต้องไม่ผู้บอกผู้สอนราศัยพี่เลี้ยง อันนั้นก็มีเหมือนกันแต่ช่วยได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆเนี่นะถ้าฝึกสติเนี่ยมันก็จะดีไปอีกหลายๆอย่างการถ่ายเป็นเวลาการตื่นเป็นเวลาการนอนเป็นเวลาการเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายังไงเป็นเกลือไป ท, ทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีไข้ป่ามาลาเรียก็ไม่เป็นไข้ลองคิดดูนะนะจะมีงูใหญ่มีช้างมีเสือช้างเสือก็จะไม่กัดไม่ทําลาย มันก็งดงามเองเดินฝ่านเดินผ่านเจ้งผ่านกวงเก้งกวงก็ไม่เหา่ามันก็เป็นไปเองตามธรรมชาติหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธรรมชาติเป็นอะไรไปจนคําสอนในพระสูตรจนตรรย้ว่าผู้มีเมตตากรุณาเต็มเปี่ยมแม้แต่กินยาพิษก็ไม่เป็นพิษท่านบอกนะนะแต่ว่าอย่าไปกินนะท่านบองนะนะ กินยาพิษก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าตัดที่นี้นะฝันไม่ฝันร้ายแม้แต่ถูกพิษอะไรก็ไม่เป็นพิษเป็นไฟมีคขนธรรมมีอะไรไม่ตายจริงเตนะรียมรู้อยู่เสมอเลยเนนะี่ยเอาตรงนี้เราพบกันตรงนี้พบกันตรงนี้เข้าถึงตัวเองจะมาเข้าถึงครูอาจารย์ฉันชอบอาจารย์ตรงนั้นฉันชอบหลวงพ่องรงนี้ย่าเลย ่าอยู่กับตัวเรามารู้ตัวเรามารู้ตัวเร า, ม, า, รเรามีสติสมชัญญะลงไ้เขาลบอาจารย์ก็คือเขาลบเราสามารถยกมือไหว้เรายกมือไหว้เนี่ยดูจริงๆเราเขาเราไหว้เรานะเรามีคุณธรรมนะจึงยกมือไหว้ได้ที่จริงมันเกิดจากเราเราก็มองว่าเราไหว้อาจารย์ที่จริงมันเป็นสมบัติของเรา สามารถยกมือไหว้สามารถแสดงความเคารพเรามีคนธรรมถ้าเราไม่เป็นคนธรรมเรายกมือไหว้ไม่เป็นหรอกโอ้เราน่สามารถยกมือไหว้ได้ขอบคณเราขอบคณเราโอกาสที่จะหลงแล้วไม่หลงโอ้เราขอบคนเราโอกาสที่จะโกรธแล้วไม่โกรธโอ้ขอบคนเราโอกาสที่จะทุกข์แล้วไม่ทุกข์โอ้ขอบคณเราขอบคณเรา การรู้จักจขอบคุณตัวเองนะมันเป็นความลึกซึ้งนะเหมือนกับเราแก้เราแก้ปัญหาเวลาใดมันลงรู้สึกตัวนะ่ยโธมันลึกซึ้งนะเวลาใดที่มันโกรธรู้สึกตัวแบบลึกซึ้งนะเวลาใดที่มันทุกรู้สึกตัวมันลึกซึ้งแต่แก้ความผิดเป็นความถูกมันสมนม้ำสมเนื้อสมน้ำหน้าความหลงสมน้ำหน้าความทุก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 ตรงนั่นแหละอะไรอะไรมันก็ตรงนั่นแหละที่ว่าจบแล้วแหะชีวิตของเราถ้ามันตรงข้ามกันนะนะความโกรธก็ไม่โกรธความหลงก็มไม่หลงความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ถ้าทําไม่เป็นตรงนี้ไม่รู้จะมีคุณภาพอะไรชีวิตของเราเอาอะไรมเป็นคุณภาพเอายศถาบรรดาศักด์เอาวุธฒิภาวะเอาชาติเอาอะไรมาอุบกันถ้ายังเปลี่ยนตรงนี้ไม่เป็นไม่มีดอกมันสมมุติมันหลอกตัวเอง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 มันสะดวกสบายผูพ้พูดก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมผู้ฟังไม่รู้จะได้บรรลุ ธ, ธรรมหรือเปล่าโอ้พูดได้บรรลุ ธ, ธรรมนะธรรมเทศนาใหเนี่ยนะธรรมเทศนาไหม่ได้บรรลุธรรมนะเพราะว่าสิ่งที่พูดไม่ได้จํามามันเป็นของมันมันบอกความจรงิงผู้ฟังก็ได้แบบธรรมเทศนาไหม่ได้บุญทั้งสองฝ่ายได้บุญทั้งสองฝ่ายพู้แสดงก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญมันต้องอย่างนี้เนาะ ไม่ใช่จะไปเทศจ่องเดี๋ยวโยมท่านสิบท่านหาเป็นเทวะยศสันพ่าย้อนย้อนเลยโยมนะเห็นสวรรค์ของน่องอย่ามาของโยคีดินเลยโยมเลยมักมายแบบนั้น